บทที่ส1เอเจตพูดแขกคนสุดท้ายกลับไปแล้วและท่านพระครูก็ขึ้นไปเขียนหนังสื อ, อยังชั้นบนของกุฏิแล้วนายขุนทองกำลังเก็บแก้วน้ำเพื่อเตรียมจะไปล้างยิงชาราคนหนึ่งเดินเข้ามาในกุฏิเขาจึงรีบบอกนางว่า ยายหลวงพ่อเพิ่งขึ้นข้างบนเมื่อ ส, สักครู่นี้เองพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็แล้วกันบ้านอยู่ไกลหรือเปล่าล่ะยายนะ่ะอยู่อ่างทองโนนยายขอขึ้นไปพบท่านเดียวนะนางบอกเป็นเชิงขออนุญาตไม่ได้หรอกยายเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูจะพาไปหาที่พักพรุ่งนี้เช้ายายค่อยพบท่านโชคดีนะ ที่พรุ่งนี้เป็นวันพระไม่งั้นยายก็ต้องรอถึงบ่ายสองโมงท่านจึงจะลงรับแขกนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดบอกกล่าวพรางมองนาฬิกาที่ฝาผนังขณะนั้นเป็นเวลาสองทุ่มแต่ยายต้องพบท่านก่อนวันนี้ไม่เป็นไรท่านไม่ลงยายขึ้นไปหาท่านเองก็ได้ยังไม่ทันที่ขุนทองจะเอ่ยปากห้าม หญิงชราผู้นั้นก็เปิดประตูเดินขึ้นไปชั้นบนนายขุนทองติดตามไปที่ประตูแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ออกนางคงจะลงกรอนเอาไว้รู้สึกหงุดหงิดงุนง่านด้วยเกรงจะถูกลงลงเดุหญิงชะลาลงมาเมื่อไหร่จะต้องต่อว่าซิให้เข็ดโทษฐานที่ขัดคาสั่งเลขาส่วนตัวของท่านเจ้าของกุฏิอ้าว โยมปั่นมาได้ยังไงละเนี่ยท่านพระครูทักรู้ว่ายายนั้นเป็นอมพาสลุกไปไหนมาไหนไม่ได้ฉันมาลาหลวงพ่อจ้ะพรุ่งนี้ตอนตีสี่ฉันจะไปแล้วนอนทรมานมาหลายปีเลอเกินทิศคำเขาจะได้หมดภาระเสตีคำบอกเล่าของนางปัน่นทำให้ท่านพระครูได้รู้ว่าร่างที่นั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าท่านนี้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 แม้เหรียญบาทเพียงอันเดียวที่ลูกหลานเอาใส่ปากให้ก็ยังต้องเป็นของสับเปลอไปในที่สุดฉันได้บุญไปจากหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเมตตาฉันแท้ๆไม่งั้นก็ต้องพกบาปไปนางพูดอย่างรู้บุญรู้คุณดีแล้วที่โยมเลือกไปวันพระพรุ่งนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าขํา แล้วก็เป็นวันพรฤหัสด้วยอาตมาไม่ใช่คนถือเลิกถือยามแต่ก็ยังชอบวันพรฤหัสเพราะเป็นวันพ่อแม่ครูอาจารย์จะฉันก็กำหนดจิตว่าจะตายวันพระจะได้ไปถือศีลไปปฏิบัติกรรมฐานข้างบนโน้นนางหมายถึงสุขติโลกสวรรค์ดีแล้วล่ะโยม แล้วก็อย่าติดสุขซสจนลืมการปฏิบัติละ่ะชีวิตข้างหน้านั้นน่ะสุขสบายกว่าโลกมนุษย์เขาก็เลยพากันประมาทมัวเมาครั้นพอหมดบุญก็เลยต้องไปทุขติจ้าหลวงพ่อฉันจะไม่เป็นอย่างพวกเขาหลวงพ่อสอนให้ฉันฝึกสติฉันกอจะใช้สตินี่แหละคอยเตือนใจฉันถูกต้องที่สุด คนโบราณสอนเอาไว้เป็นคำกรอนว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนลืมเตือนใจตนหล่นอบายการเตือนตัวเองไว้เสมอก็คือการมีสตินี่เองเมื่อไรที่ขาดสติโอกาสที่จะตกไปในอบายภูมิก็มีมากขึ้นจ้า และหลวงพ่อต้องไปเผาศพชันด้วยนะจ๊ะเผาเมื่อไรล่ะชั้นสั่งทิศเขาไว้แล้วว่าให้สวดพระอภิธรรมเจ็ดวันวันที่แปดก็เผาเลยจะได้ไม่เป็นภาระลูกๆเขาเห็นทิดเขาพูดว่าหมดห่วงแล้วก็จะขอมาบวชอยู่กับหลวงพ่อยังไงชันกอฝฟากเขาด้วยก็แล้วกันเขาเกิดมาเป็นคู่เวรขู่กรรมของชันแท้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 ศพเผาที่วัดไหนเวลาเท่าไรวัดโบทตอนสี่โมงเย็นจ้ะแล้วทิดเขาคงมาเรียนให้หลวงพ่อทราบอีกครั้งหนึ่งฉันเห็นจะต้องลาละจ้ะเดี๋ยวทิดเขาจะสงสัยว่าทำไมหลับไปนานนักนั่งกราบเบญจางขประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกไปนายขุนทองถือถาดใส่แก้วน้ำที่ล้างแล้วเดินเข้ามาเห็นนางปั่นเดินออกที่ประตูไป จึงวางถาดลงและวิ่งตามหมายจะไปต่อว่าเขาวิ่งตามไปจนถึงประตูหน้าวัดทั้งที่เห็นหลังอยู่วัยวัยแต่กลับตามไม่ทันไม่น่าเชื่อ ว, ว่าหญิงแก่แกท่าทางขี้โรคคนนั้นจะเดินได้เร็วถึงปานนี้เมื่อนางเดินลับตาและหายไปในความมืดเขาจึงเดินกลับที่กุฏิขึ้นไปเรียนท่านพระครูว่า หลวงลุ ง, ลงฮะเมื่อกี้เนี่ยมียายแก่คนหนึ่งมาขอพบหลวงลุ ง, ลงหนูห้ามเขาก็ไม่เชื่อเปิดประตูขึ้นไปจนได้แถมใส่กรอนอีกด้วยหนูไม่รู้จะทำยังไงเลยคอยจ้องจะต่อว่าตอนแกลงมาเสร็จแล้วก็ตามแกไม่ทันสิอีกหลวงลุงจะด่าว่าหนูก็เชิญได้เลยเพราะหนูผิดไปแล้ว นายขุนทองก้มหน้าสารภาพข้าไม่มีอะไรจะว่าเองหรอกเจ้าขุนทองแล้วข้าก็ไม่ได้คิดว่าเองทำผิดอะไรผู้หญิงที่เองเห็นน้คือโยมปั่นเมียในขำได้ยินดังนั้นนายขุนทองถึงกับสะดุง้งหลงๆว่าอะไรนะฮะนี่พ่อหนูไปแอบมีเมียแก่ๆไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเขาเข้าใจว่า ท่านพระครูหมายถึงในขำผู้เป็นบิดาของเขาท่านเจ้าของกุฏิจึงต้องขยายความให้ฟังว่านี่เขาในขำอ่างทองพ่อเองในขำสิงบุรีมันคนละขำกันยังมีขำลบบุรีขำอายุทยาขำนครสวรรค์อีกนะที่ข้ารู้จักนะ่ะอ๋อมีขำสุพรรณอีกคนหนึ่งด้วย แล้วหลวงลุงว่าคนไหนหล่อที่สุดฮะคนไหนเองก็ไม่มีอะไรรอกนอกจากเรื่องความหลอ่อเองดูคนแค่หลอ่อไม่หลอเท่านั้นเองหรือก็จะมีอะไรให้ดูมากกว่านี้ละฮะหลวงลุงหนูเป็นคนสวยก็ต้องสนใจคนหลอ่ออยากมีแฟนหล่อๆมันถึงจะคู่ควรกันหรือว่าหลวงลุงว่าไม่จริงล้านชายย้อนถาม นี่เจ้าขุนทองถ้าเองไม่มีอะไรดีกว่านี้จะพูดกับข้าก็ขอเชิญลงไปข้าจะทำงานละแม้หลงแล่ะก็อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องไล่กันด้วยนูอุสาเป็นห่วงแทดแย่ล้านชายต่อว่าไกลๆเองมาห่วงอะไรข้าหรือเจ้าขุนทองห่วงอะไรห่วงสิก็ยายปั่นแกเป็นผู้หญิง แล้วหลุงลุงก็เป็นผู้ชายขึ้นมาคุยกันในยามวิกาลอย่างเนี้ยใครเขารู้เข้าหลุงลุงจะต้องถูกคอรหานินทาแต่ก่อนหลุงลุงเคร่งครัดในเรื่องอย่างนี้มากแต่ทำไมวันนี้ไม่เคร่งครัดหลุงลุงน่าจะให้แกลงมาคุยข้างล่างหรือไม่ก็เรียกหนูขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนถึงจะถูกที่หนูพูดมานี่หลวงลุงว่าผิดหรือเปล่า ท่านพระครูรู้สึกพอใจในความรอบครอบของคนเป็นหลานจึงอธิบายให้เขาฟังข้าขอบใจเองที่เป็นห่วงแต่เองไม่ต้องวิตกกรอกเพราะโยมปัน่นเขาไม่ได้เอาร่างจริงมาด้วยที่เองเห็นนะ่ะเขาเรียกว่าเจตพูดหมายความว่าอย่างไงฮะหลานชายไม่เข้าใจก็หมายความว่าโยมปัน่นเขาเอาวิญญาณมาไม่ไดเอาร่างมา เขาเป็นอมพาตไปไหนมาไหนไม่ได้หลายปีแล้ววิญญาณที่ออกจากร่างขณะที่นอนหลับนั้นน่ะเขาเรียกว่าเจตพูดและแกมาหาลุงลุงทำไมเหรอฮะมาบอกว่าพรุ่งนี้ตีสีแกจะตายให้ข้าไปเผาศพแกด้วยเป็นไปได้เหรอฮะหลุงลุงหนูไม่อยากจะเชื่อว่าคนเราสามารถรู้วันตายของตัวเองได้ถ้าเป็นผู้วิเศษก็ว่าไปอย่าง ไม่ต้องถึงกับผู้วิเศษหรอกเจ้าขุนทองอย่างข้าก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษมาจากไหนข้ายังรู้วันตายของข้าลงุงลุงพูดเล่นหรือเปล่าหลอกหนูอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้พูดเล่นแล้วก็ไม่ได้หลอกข้าพูดจริงจริงถึงเองก็เถอะถ้าอยากรู้วันตายเองก็รู้ได้หากเอ็ปฏิบัติกรรมฐาน โอ้ยหลงลุมอย่าพูดถึงความตายหนูยังไม่อยากรู้เพราะยังไม่อยากตายแม้คนกำลังอยู่ในวัยขบเพาะจะให้ตายซะละนายขุนทองตีโพยตีพายนี่แหละคนไม่เอากรรมาฐานก็แบบนี้แหละเหมือนกันหมดทุกรายแบบนี้นะแบบไหนฮะใช่หนุ่มย้อนถามก็แบบเองไง ของแท้ไม่เอาจะเอาแต่ของปลอมท่านพระครูว่าหลานชายแล้วของแท้ของลุงลนะุงน่ะคืออะไรล่ะฮะก็กรรมฐานน่ะสิถ้าเองมาปฏิบัติกรรมฐานเองก็จะสามารถรู้วันตายได้โยมปั่นแกก็ปฏิบัติข้าก็ปฏิบัติรู้ดีกว่าไม่รู้นะเจ้าขุนทองอ้ยเซง ตั้งแต่มาอยู่ก็ได้ยินแต่กรรมมาฐานกรรมาฐานจนรำคาญจะแย่และลุงลุงไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วหรือฮะไม่มีแล้วกรรมาฐานนี่แหละดีที่สุดดียังไงฮะลุงลุงช่วยบอกหนอ่อยเถอะเพื่อบางทีหนูอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบมันก็ได้ท่านพระครูคิดว่าคลาวนี้คงจะโน้มน้าวจิตใจของขุนทองให้มาสนใจการปฏิบัติได้ จึงอธิบายให้เขาฟังว่าประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นน่ะมีมากมายหลายเท่าที่ข้ารู้จากประสบการณ์ของข้าเองและก็จากประสบการณ์สอบอารมณ์ของผู้ปฏิบัติอื่นๆพอสรุปได้สามประการใหญ่ๆก็คือ 1. ระลึกชาติได้ 2. เห็นกฎแห่งกรรมและ 3. เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ ซึ่งประการสุดท้ายเนี้สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราสามารถแก้ปัญหาของตัวเราเองได้ก็ไม่ต้องไปวิ่งหาพระให้รดน้ำมนต์หรือวิ่งไปหาหมอดูเราต้องเป็นหมอดูให้ตัวเองมันถึงจะถูกนี่แหละประโยชน์ของกรรมฐานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาเพื่อจะไปสวรรค์นิพพานอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันเมื่อใดที่ยังไม่เกิดปัญญา ยังแก้ปัญหาชีวิตให้ตัวเองไม่ได้และจะไปสวรรค์นิพพานได้ยังไงที่ข้าพูดมาเนี่ยเองเห็นด้วยหรือไม่ล่ะหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยยังตอบไม่ได้ลงลงช่วยอธิบายหน่อยสิฮะว่าทำไมถึงต้องให้ระลึกชาติได้แล้วระลึกได้กี่ชาติจะ ก, กี่ชาติก็ไม่สำคัญหรอกแต่อย่างน้อยๆก็ขอให้ระลึกชาติปัจจุบันได้ อย่างเช่นลูกที่เกเรไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือชนิดเถียงพ่อแม่คำไม่ตกฟากพอมาเข้ากรรมาฐานได้สองสามวันก็ระลึกชาติได้เลยคือเมื่อจิตสงบก็นึกย้อนไปในอดีตที่เคยทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่บางคนถึงกับร้องไห้โฮออกมาเพราะว่ากลับบ้านไปเนี่ยจะต้องไปกราบเท้าขอขมาโทษพ่อแม่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 ข้าก็ถามว่าชั่วยังไงล่ะโยมเขาก็ตอบว่าชั่วที่ชอบดาเมียชอบเตะเมียแทนลูกฟุตบอลน่ะสิครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วกลับไปเนี่ยผมจะไปกราบเมียบังเอิญวันที่เขาจะกลับเมียเขามารับเอ็งเชื่อไหมพอเขาเห็นหน้าเมียเขาคลานเข้าไปกราบเลยกราบต่อหน้าข้าด้วยเมียเขางงว่าเอ หลวงพ่อสอนผัวฉันยังไงนะกลายเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนเห็นฉันเป็นลูกฟุตบอลแต่เดี๋ยวนี้กลับเห็นฉันเป็นพระไปซะและ้วนี่เมียเขาแอบมาเล่าให้ข้าฟังอย่างเนี้ยเองเห็นหรือยังละ่ะว่าคนที่เข้ากรรมฐานนะ่ะระลึกชาติได้แบบนี้แหละแม้หนูนึกว่าระลึกชาติแต่ครั้งอดีตได้เป็นต้นว่ารู้ชาติก่อนเคยเกิดที่ไหนเป็นใคร ทำอะไรทำนองนี้นะ่ะแบบนั้นก็ได้แต่ต้องฝึกนานหน่อยมีหลายคนที่เป็นอย่างที่เอ็งว่าแล้วพวกเขาระลึกชาติได้กี่ชาติฮะบางคนชาติเดียวบางคนสองชาติที่มากที่สุดก็หาชาติดูมันจะเป็นแม่ชีก้อนทองที่าระลึกได้หาชาติแล้วหลวงลุงแล้วฮะระลึกได้กี่ชาติเองจะรู้ไปทําไม ข้าไม่อยากอวดตริมนุษยธรรมก็ถ้ารู้หนูจะได้ปฏิบัติให้มากกว่าหลวงลุ ง, ลงจะได้ระลึกชาติได้มากกว่าหลวงลุงสักสิบชาติงั้นเอ็ก็ต้องปฏิบัติจนสามารถระลึกชาติได้17เจชาติจะไหวหรอไม่ไหวแน่หนูก็พูดไปงั้นเองแค่ชาติเดียวคงไม่ไหวแต่อย่างน้อยๆหนูก็ได้รู้ว่าหลวงลุงระลึกชาติได้เจ็ดชาติ พูดอย่างพูดชนะแม้เองนี่มันกาหล่อนจริงๆให้ตายสิอุ๊ยจะตายไปทำไมละหานหลงลงมีหลานน่ารักอย่างอีขุนทองยังไม่ตายง่ายๆหรอกฮะหนุ่มวัย21เอ็ดพูดเสียงอ่อนเสียงหวานท่านพระครูรีบโบกมือแล้วห้ามว่า พอแล้วพอแล้วเอ็นคืนมากกว่านี้ค่ะคงลมจับแน่ๆพอก็ได้ะแต่ลงุงลงต้องอธิบายประโยชน์ข้อที่สองให้หนูฟังคือที่ว่ากฎแห่งกรรมนั้นนะ่ะเห็นได้ยังไงและทำไมถึงมีประโยชน์ก็ทำไมจะไม่มีประโยชน์ละ่ะเพราะมันทําให้เราสามารถตัดเวนตัดกรรมได้ดังทิพระธนทนว่าเวนจะหยุดก็ต้องหยุดจองเวนพระที่ไหนฮะ ใช่ที่วัดป่ามะม่วงหรือเปล่านี่อย่าเพิ่งแซวถ้าอยากจะฟังห้ามแซวฮันแน่ลุงลุงพูดคำทันสมัยก็เป็นด้วยแต่ว่าคนที่เขาพูดอย่างเนี้ยต้องเป็นวัยรุ่นนะฮะอย่างโน่นเนี้ยทาไมข้าจะพูดไม่ได้ข้าก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันนี่นะรุ่นไหนฮะรุ่นแรกหรือว่าแรกรุ่น ท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยว่ารุ่นแรกแย้มอ๋อรุ่นแรกแย้มแย้มฝาโลงใช่ไหมฮะเออนะแย้มอะไรก็มันเรื่องของข่าเองจะฟังต่อหรือไม่ฟังพูดอย่างรำคาญเจ้าหมอนี่มันน่ารำคาญสิจริงๆฟังสิฮะนิมนต์อธิบายต่อเธอฮะการเห็นกฎแห่งกรรมมันมีประโยชน์อย่างไรบ้าง อันนี้ข้าตอบไปแล้วจึงไม่ขอตอบอีกท่านเล่นตัวก็หนูยังไม่เข้าใจนี่ฮะว่ามันตัดเวีนตัดกรรมได้ยังไงได้ยังไงน่ะหรือเอาอย่างนี้เจ้าขุนทองข้าจะยกตัวอย่างเรื่องจริงให้เองฟังสักเรื่องและเองก็ไปคิดหาคําตอบเอาเองก่็แล้วกันคือลูกศิษย์ข้าคนหนึ่งชื่อสนทยาเขารวยมาก มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแล้วเขาก็เป็นคนมีอัธยาศัยดีชอบทําบุญกุฏิหลังนี้เขาก็เป็นคนสร้างให้ค่ะที่วัดนี้เขาก็มาทําบุญไว้เยอะถ้าคิดเป็นเงินก็หลายล้านแต่เองเชื่อไม่ว่าพอเขาตายไปกลับไปตกนรกคนทําบุญเป็นล้านล้านแต่ไปตกนรกท่านยำ้ำประโยคสุดท้าย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะฮะถามอย่างสงสัยก็เพราะเขาไม่เอากรรมฐ า, านนะสิข้าเห็นหน้าเขาครั้งแรกก็เห็นกฎแห่งกรรมว่าในคนนี้จะต้องถูกฆ่าตายเจ้ากรรมในเวรเขาตามมาเอาชีวิตเพราะชาติที่แล้วไปฆ่าเขาไว้ข้าก็บอกเขาว่าสนธยาเธอจะมีเคราะห์นะให้มาเข้ากรรมฐ า, านสิบห้าวันเพื่อสะเดาะเคราะห์ เขาก็บอกว่าไม่มีเวลางานยุ่งข้าบอกครั้งที่สองเขาก็อ้างว่างานยุ่งอีกข้าเลยเล่าให้เขาฟังต่อหน้าเมียเมียเขาเชื่อแต่ตัวเขาไม่เชื่อเพราะครั้งที่สามข้าก็พูดกับเขาว่าสนธยาวางมือเรื่องงานไม่ก่อนได้ไหมเธอจะหาเงินไปถึงไหนกันลูกเต้าก็ไม่มี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 นายสนทยาถูกยิงตายเสียแล้วและข้าก็รู้ว่าเขาต้องไปตกนรกทำไมถึงตกนรกล่ะฮะคนทำบุญเป็นล้านๆน่าจะได้ไปสวรรค์มีวิมานสวยๆมีนางฟ้างามๆเป็นบริวารและแบบนี้จะเรียกว่าทำดีได้ดีได้ยังไงล่ะฮะนายขุนทองรู้สึกสับสนท่านพระครูจึงอธิบายว่า กรรมที่ทำให้ในายสนธยาไปตกนรกไม่ใช่เพราะเขาทำบุญเป็นล้านๆเจ้าขุนทองแต่เพราะเขาดับจิตขณะที่โทสะครอบงำเขาอาฆาตคนที่มายิงเขาแล้วก็เลยตายขณะที่จิตเป็นอกุศลคือมีโทสะถ้าจะจัดให้เข้าประเภทของกรรมก็เรียกว่าอาสัญนักรรมและถ้าเขามาเข้ากรรมฐานเขาจะไม่ถูกฆ่าใช่ไหมฮะ ในขุนทองถามมันก็ไม่แน่เสมอไปแต่ที่แน่ๆก็คือเขาจะไม่ต้องไปตกนรกเพราะถ้าเขาตั้งใจปฏิบัติแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรและบุญกุศลนั้นมากพอก็จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้จะไม่ตามมาฆ่าเขาแต่ถ้าบุญกุศลไม่มากพอและเขาจะต้องถูกฆ่าแน่ การเห็นกฎแห่งกรรมก็จะทำให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องว่าที่เขาถูกฆ่าตายนั้นเพราะเคยไปฆ่าเขาไว้เมื่อเข้ามาทวงคืนก็ต้องใช้เข้าไปเมื่อคิดได้อย่างนี้จิตก็จะไม่มีโทสะไม่มีความอาฆาตแค้นเคืองเมื่อดับจิตลงก็ไม่ต้องไปตกนรกแม้เขาน่าจะเชื่อหลงลุงนะฮะทำไมหลงลุงไม่ดนจิตดนใจให้เขาเชื่อละฮะ ล้านชายแสดงความคิดเห็นก็ข้าไม่ใช่ผู้วิเศษนะซิแต่ถึงกระนั้นข้าก็ได้พยายามช่วยเขาจนสุดความสามารถของตัวข้าแล้วก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาฟังหลวงลุงเล่าแล้วหนูชักจาอยากปฏิบัติเหมือนกันแต่ใจมันยังไม่ถึงนมวัยยี่สิบเอดว่ายังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาไว้ถึงเมื่อไรคอยมาบอกค่ะ แล้วข้าจะสอนให้ด้วยตัวของข้าเองเชยและขอให้บอกเธอไม่หลอกฮะถ้าหนูจะปฏิบัติก็จะไม่ให้หลวงลงสอนหนูจะให้หลวงพี่บัวเฮียวสอนทำไมละ่ะใครๆเขาก็อยากให้ข้าสอนกันทั้งนั้นมีเองนี่แหละที่มาแปล ก, กว่าเพื่อนก็หลวงลุงแก่แล้วหนูชอบเรียนกับคนนมนมอย่างหลวงพี่เรียนกับหลวงลุงไม่เอา นี่ถ้ามันยุ่งยากนะักก็อย่าเรียนเลยดีกว่านะท่านพระครูพูดอย่างรำคาญฮะหนูก็ว่างั้นแหละไม่เรียนดีที่สุดดีๆนะระวังจะเป็นนายสนธยาก็แล้วกันท่านพระครูว่าฮะถ้าต้องเป็นอย่างนั้นหนูค่อยเรียน นิมลหลงลุงขยายความประโยชน์ข้อสุดท้ายเถอะฮะหลานชายประนมมือขึ้นนิมลหลงลุงจึงพูดว่าข้อสุดท้ายนี่สําคัญที่สุดฮะทราบแล้วหลงลุงบอกเมื่อกี้แล้วคนฟังพูดขัดขึ้นเจ้าขุนทองถ้าเองอยากฟังก็จงหุบปากเสียท่านสัง่งไม่เสียฮะปากหนูดี ไม่เสียลุงลุงลองจับดูก็ได้ไม่เนา่าไม่เสียตรงไหนเลยล้านชายอดยั่วไม่ได้จะฟังหรือไม่ฟังท่านพระครูเริ่มจะหมดความอดทนฟังฮะลุงลุงก็ว่าไปเลยสิฮะท่านพระครูจึงพูดต่อไปว่าที่ว่าสำคัญเพราะมันเป็นจุดหมายของการปฏิบัติกรรมฐานและก็เป็นยอดของไตรสิกขา ซึ่งได้แก่ศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติมีจุดหมายอยู่ในปัญญาในเมื่อเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ก็ถือว่าบรรลุจุดประสงค์ของการปฏิบัติสวรรค์นิพพานจะมาเองโดยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแล้วมีตัวอย่างไหมฮะคือนุหมายถึงคนที่มีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้นะฮะมีสิแต่ก่อนอื่นเองต้องเข้าใจเสก่อนว่า ปัญญานั้นมีสองระดับคือโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญาถ้าปฏิบัติได้แค่โลกิยะปัญญาก็แก้ปัญหาทางโลกไม่ได้แต่ถ้าถึงโลกุตระปัญญาก็ตัดกิเลสตัณหาทั้งปวงได้และจะบรรลุพระนิพพานคนที่ข้ายกตัวอย่างนี้ได้โลกิยะปัญญาคือนายวิกโก้ที่ข้าเคยเล่าเมื่อคราวที่แล้วนั่นแหละ ที่มาบวชที่วัดนี้เมื่อปี2512และหลวงลุงว่าเทศเก่งเทศแบบบุดชาวิสัชนาก็ได้ใช่ไหมฮะนั่นแหละคนเดียวกันนี่แหละคือตอนมาบวชอยู่ที่นี่คู่รักเขาก็มาเยี่ยมเป็นคนไทยแล้วก็เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ดดวยกันเขาก็มาถามว่าผู้หญิงคนเนี้เป็นเนื้อคู่เขาหรือเปล่าข้าก็บอกว่าอยากรู้ต้องปฏิบัติให้มากๆ จะรู้คำตอบได้เองที่จริงเขาเห็นกฎแห่งกรรมค่องเข้าอยู่แล้วว่าพอคนนี้ต้องได้เมียง่อยแต่ข้าไม่พูดออกมาเขาก็เชื่อข้าเร่งปฏิบัติใหญ่วันหนึ่งก็มาบอกข้าว่าหลวงพ่อครับเมืองไทยอากาศร้อนยุงก็ชุมผมอยู่ไม่ได้แน่ถ้าผมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผมต้องอยู่เมืองไทย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 พอเขาศึกออกไปก็ได้แต่งงานกันกับคนง่อยจริงๆเป็นคนเิริปปินแต่ว่าสอนภาษาจีนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันยังเคยพามาที่นี่มาสองปีที่แล้วแล้วข้าก็จำชื่อเมียเขาไม่ได้ขาแก่เสียไปข้างหนึ่งเห็นว่าเป็นโรคอะไรหน้าโอโอเอเอนี่แหละเป็นมาแต่กำเนิดโปลิโอมั้งฮะหลงลง ใช่ใช่เขาเรียกว่าโปลิโอถูกก้องเองเออเจ้าสมชายหายหน้าไปไหนล่ะเนี่ยมูนี้ไม่ค่อยได้พบหน้าค่ะตาเลยท่านถามหาคนเป็นลูกศิษย์นนทแน่จีบสาวอยู่ที่บ้านเหนือโนอนอีกหน่อยลุงลุงก็จะได้ลูกศิษย์สะพ้ายแล้วละ่ะในขุนทองว่าอะไรก้องเองลูกศิษย์สะพ้ายแม้ลุงลุงเนี่ย เมียของลูกศิษย์ก็ต้องเรียกลูกศิษย์สะพ้ายสิฮะชายหนุ่มอธิบายเอออย่างงั้นหลอกหรือแล้วเองล่ะเมื่อไรจะมีหลานสภัายให้ค่ะไม่ใช่หลานสภพายฮะหลานเขยต่างหากและคนพูดก็หัวเราะคิกคก